วันนี้พอฉันจะหันเสร็จแล้วก็คงจะพักจากชั่วระยะหนึ่งแล้วก็คงจะเดินทางงานลงพ่อลงไปคราวนี้คราวนี้ครั้งนี้ก็พอไปลงไปถึงวัดไปพักที่สวนแสงธรรมพุทธมนตนสายสามที่วัดสำนักของหลวงตาพอพักที่นั่นแล้วก็ ตอนเย็นวันนี้ก็คงจะมีการไหว้พระสวดมนต์เย็นเพราะว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันทาบุญครอบครอบอาทิตย์สุดท้ายของเดือนทุกเดือนอัน น, นี้ก็เป็นวันพุ่ง น, นี้เป็นวันที่ยีิเก้าเป็นวันอาทิตย์ก็เป็นวันทาบุญของสวนแสงธรรมพี่น้องชาวกรุงเทพก็คงจะเข้ามาแต่ตอนเย็นวันนี้ หลวงพ่อก็จะพาคณะัทธายาโดโยมลูกหลานไหว้พระทําวัดเย็นแล้วก็ฝังเทศแล้วก็พานั่งสมาธิจักช่วนระยะหนึ่งจากนั้นก็แยกย้ายกันแล้วก็วันพรุ่งนี้ตอนเช้าตักบาตรบริเวณศาลาที่สวนแสงธรรม จากนั้นก็คงจัดอาหารแล้วก็พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรแล้วก็ตอนเย็ยนวันนี้นะเทนี่ตอนเย็ยนวันพรุ่งนี้นะพระลุงพ่อได้รับดีกานิมนต์จากวัดบวรนะลุงพ่อจะอ่านให้ฟังดีกานิมนต์นะโครงการปฏิบัติธรรมญาณสังวรบูชาคนะรบสองปีแห่งการสิ้นพระชน สมเด็จพระญาณสังวรสมเร็จพ ร, จระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวันเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนตุลาคมพุทธศักราช2558ณตำหนักเพชรวัดปรวริเวศวิหารกรุงเทพมหานครกราบอาราธนาพระอาจารย์อินถวายจันทุสโกวัดปานคำน้อยตำบลบ้านก้องอำเภอนาโยงจังหวัดอุดรธานี แสดงพระธรรมเทศนาและจำเริญและนำจเจริญจิตภาวนาในวันที่29พิพฤศจิกายนพุทธศักราช2558เวลา 17.30 นถึง 18.30 นผู้นิมนต์พระเทพปริยัตวิมนผู้ช่วยเจออาวาส วัดบว ร, บ ร, บรนิเวศวิหารกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานบำเพ็ญกุศลพระศพผู้ถวายฎีกาที่หวงพ่อได้รับนมนมวลลงไปคราวนี้ครั้งนี้แต่เจ้าพระคุณสมเด็จองค์นีนะ้องค์ที่สินพระชนถือเสมือนว่าเป็นปู่เป็นทวดของพวกเราเนะพราะเหตุไรเพราะว่า สมัยเมื่อเรียนหนังสือด้วยกันกขาองค์หลงตาองค์หลงตาเนี่ยถือถือเสมือนว่าเป็นพระสหายเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายในการเป็นพระน้อยพระหนุ่มด้วยกันอแล้วก็องค์หลงตาเนี่ยเกิดปีนั่นแหละเดือนสิงหาปีเดียวกันนะ เ, นเกิดเดือนสิงหา เจ้าพระคุณสมเด็จเนี่ยเกิดเดือนตุลาห่าง ก, กันไม่กี่เดือนแต่แต่ปีเดียวกันและก็พร้อมกันก่อนนี้เท่าท่านเจ้าคุณมาหาเขียนวัดบ้านโ พ, พนอําเภอกาลสินอันนั้นกันเนี่ยนะกลุ่มเดียวกันเจ้าคุณมาหาเขียนเนี่ยก็กปท๙เจ้าพ่อคุณสมเด็จนี่ก็จบปท๙แต่หลวงตาเนี่ยเอาด้วสามประโยคท่านออกมาปฏิบัติออกป่า หลวงตามหาบัวเนี่ยออกป่าเยเรียกว่าเป็นสหายสามพระสหายสามสหายสหธรรมมิกสหายธรรมแต่เจ้าคุณมาเขียนในปอทก้าเหมือนกันนะเป็นเผ่าผู้ไทยนะบ้านโพนบ้านโพนแพวาที่ขายผ้าที่ผ้าไหมที่โด่งดังในภาคอีสานเนี่ยนะท่านอยู่บ้านโพนนะ่ ท่านด้นด้านลงไปเรียนหนังสือกรุงเทพมันไม่ใช่น้อยไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะลูกหลานนะอันนี้เป็นถือเป็นตัวอย่างในการศึกษาเรื่องเรียนเนี่ยการศึกษากับครูบาอาจารย์องค์หลวงตาก็เหมือนกันท่านก็นลงไปแล้วก็ไปเรียนหนังสือไปพักอยู่วัดบวรมบ้างวัดพรีบ้างที่หลวงตาไปอยู่อแล้วก็เข้าไป การศึกษาสมัยนะั้นครูบาอาจารย์ก็คือกลุ่มเดียวกันในเมื่อแนะนําสั่งสอนสุขลูกศิษย์ก็ในกลุ่มเดียวกันเพราะฉนะนั้นจึงได้พบได้เจอกันไปมาหาสู่กันเพราะว่าพร ะ, พระนอยู่ในกลุ่มจากนั้นองค์หลวงตาท่านก็ได้ออกมาปฏิบัติเมื่อเจพรรษาพรรษาที่เจนะ็หลวงตาออกปฏิบัตินะท่านเจ้าคุณ มหาเขียนก็ดีเจ้าคุณสมเด็จก็ดีท่านก็อยู่ทางฝ่ายปริยัตอยู่วัดบว ร, บรจากนั้นท่านก็ไต่เต้าขึ้นเรื่อยๆจนได้เป็นพระเถระปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ใหญ่สุดของธรรมยุทธจากนั้นท่านก็ได้แต่งตั้งได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชสกุลสังฆปรินายกมหาสังฆปรินายกนะ ในเมื่ออันที่เคยปกครองทั้งฝ่ายทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายนิกายฝ่ายธรรมยุทธคือสังฆราชมีอยู่องค์เดียวในประเทศไทยแต่ถ้าวัดนิกายขึ้นมาเป็นสังฆราชก็ปกครองทั้งฝ่ายธรรมยุทธด้วยถ้าว่าธรรมยุทธขึ้นมาปกครองกับเป็นฝ่ายปกครองทั้งมหานิกายด้วยทั้งสองนิกายเนี่ยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จท่านก็ได้ปกครองโวหลายปีเออ ท่านเป็นสมเด็จพระสังฆราชปกครองคณะสงฆ์แต่สมัยเมื่อท่านเป็นพระน้อยพระหนุ่มอง์หลวงตาก็อยู่กับหลวงปู่มั่นท่านก็เจ้าพระคุณสมเด็จท่านก็อยู่วัดบวรการบริหารจัดการไปตามอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างน้อยหนุ่มแต่องค์หลวงตากลมาศึกษากับหลวงปู่มั่นต่อมาท่านก็ได้มาสร้างวัดป่าบ้านตาดัดต่อมาเจ้าพระคุณสมเด็จท่านก็ ขึ้นมาโดยลําดับจนให้เป็นาศาสนโสพลเจ้าคุณสาเจ้าคุณสาโอเจ้าคุณศาเนะนานนะท่านเป็นรองสมเด็จอยู่ที่วัดบวรนะจากนั้นถ้ามาที่วัดป่าบ้านตาดนะสมัยนะั้นหลวงพ่อยังเป็นพระน้อยพระหนุ่มเข้าไปอยู่บ้านตาดปี25งพ้าสิบสองเจ้าคุณศาเนะ่ยสาธนรณโภพน์ก็พานั่งรถตู้มา นั่งมาจากกรุงเทพนะถนนถนนสมัยนั้นก็ไม่ใช่ธรรมดานะคลุกคลักไม่ใช่ลาดยางอย่างทุกวันนี้โดยมากก็เป็นหินลูกลัง เ, เป็นส่วนมากจากกรุงเทพมาถึงอุดรท่านก็นั่งรถมากับะณะสัตายาดโจมของท่านในสมัยนั้นก็คือหม่อมหม่อมหลวงจิ ต, ตินพวงศ์นั่งรถมากับญาติพี่น้องของท่านมาทีไรก็นู่น เจ็ดแปดคน8ปดเก้าสิบคนเจ้าพกคุณสมเร็จก็มาบางทีก็มีพระสอง อ, องค์สามองค์โดยมากเป็นสมองค์เจ้าคุณวินแล้วก็มีพระติดตามมาพักที่วัดป่าบ้านตาดมาแต่ละครั้งก็พักนานนะเพราะมาพักกลับเร็วก็ไม่ได้เหนื่อยแต่ก็พักปีกวิเวกนะพวกง่ายๆมาอยู่ทีละอาทิตย์อาทิตย์กว่ากว่าและก็มีพระฝรั่ง เป็นผู้ดูแลปลนิบัติแต่หลวงพ่อก็อยู่ห่างๆเพราะท่านเชอร์รี่เนี่ยอหลวงพ่อเชอร์รี่ของเรา เ, เรื่องปนิบัติพระเทระแล้วก็โยกให้เลยอท่านดูแลแล้วละเอียดทีทวนอ่อน น, อน้อมแต่ท่านปัญญาท่านขาไม่ค่อยดีท่านก็ดูแลห่างๆแต่เจ้าคุณเจ้าพระอาจารย์เชอร์รี่กับพระพระฝรั่ง เป็นผู้ดูแลเจ้าพ่คุณจอมเดจหลวงพ่อเองก็อยู่ห่างๆแล้วก็ดูปนิบัติหลวงตาตอนตื่นเช้ามารับบาดยีบอลแล้วกับปีบินธาบาทท่านมาฉันท้านก็ฉันในบาทเหมือนกันนะท่านมาอยู่กับกรรมฐานท่านก็ทำเหมือนกรรมฐานนะท่านก็ฉันในบาทที่ศาลาชั้นบนแต่หลวงตาท่านก็ให้ความเคารพนอบน้อม เพราะว่าท่านเป็นฝ่ายปกครองเข้ามาแต่กลางคืนเนี่ลงตาก็มีประชุมนะมีประชุมบางทีท่านก็เทศอบรมพระอบรมพระนศกสัตญาติโยมในเมื่อเจ้าพวกคุณสมเด็จมาท่านถือเสมือนว่าเป็นสหายธรรมพูดง่ายๆในเมื่อเจ้าพวกคุณสมเด็จมาท่านก็มาเพื่อดูว่ากรรมฐานนอยู่ยังไง กฎระเบียบเป็นยังไงลักษณะอย่างนั้นแต่หลวงตาทั้งคนนั้นถือเสมือนว่าเป็นสหธรรมิกเป็นเพื่อนสหายธรรมเข้ามาเยี่ยมเยียนพาคณะสัตย์ทายาทโยมาเนี่แหละอันนี้ก็คือการไปมาหาสู่เจ้าพกุลสมเด็จกับองค์หลวงตาเพราะฉะนั้นพวกเราในฐานะลูกหลานทั้งหลายเนี่ถือเสมือนว่าเป็นหลานเป็นเหลนให้ความเคารพทั้ง เมื่อให้ความเครารพหลวงปู่ของเราคือหลวงตามหาบัวเราก็ต้องให้ความเคารพในเจ้าพระคุณสมเด็จเหมือนกับเป็นพ่อเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราเที่ดูแลพวกเราเแล้วก็หนังสือประวัติหลวงปู่มั่นก็ดีหนังสือปฏิปทาก็ดเีเพื่อใจที่ได้ทุกข์ก็ดีที่หลวงตาเขียนเป็นธรรมเลขิต ปินเขียนเป็นประวัติท่านก็ให้นี่ยยอมสีสั ป, ปดา ค, คือลูกศิษย์ของเจ้าพระคุณสมเด็จเอาไปพิมพ์สีสั ป, ปดาให้ก่าหนังสือออกเป็นสั ป, ปดาอาทิตย์หนึ่งออกทั้งนัง้นี่แหละลงตาก็เขียนแล้วก็ส่งให้เป็นอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์ลงตาก็ฝึกขัดเขียนเองแล้วกัพิมพ์เองตรวจทานเองทั้งหมด ประวัติหลวงปู่มั่นกับปฏิปทาเนี่ยท่านก็นส่งให้หม่อมหลวงกิตินพวงศ์เจ้าของสีสปาาและก็พิมพ์ออกหลวงตามหาปัวท่านบอกว่าโอ้ถ้าหากว่าไม่มีกฎบังคับท่านนะท่านคงหนังสือคงจะไม่เป็นเล่มถึงขนาดนี้แต่ว่าเพราะว่าถ้าว่าเข า, าว่าท่านอาจารย์จะหมดแล้วนะหลวงตา ต้องตั้งตั้งหน้าตั้งตาเขียนเขียนเขียนเขียนเยนแล้วก็มาพิมพ์อพิมพ์พิม พ, ม พ, มพม์ท่านก็บอกโอ้ยอย่าไปเอาลงมากอย่าไปเอาลงมากเลยนะเอาลงพอประมาณเดี๋ยวเขียนไม่ทันฮะเนี่ยแหละลงตาอกับสีสบาดากับลูกศิษย์ลูกหาเจ้าปกคุณสําเร็จสมัยนั้นนะเมื่อลงตาพิมพ์เสร็จแต่ละวันหลวงพ่อเป็นคนเย็บหัวกระดาษนะ พอเย็บหัวกระดาษกระเลียงเลียงอย่างทันยังดูอีกได้ตองตาละเอียดมากคือไม่ให้สลับซับซ้อนเออทำกระโลงทำงานกระโลงตาไม่ใช่ธรรมดาตอนเช้าก็ยกพิมพ์เดินออกมายกกระโถนออกมา อ, อ่ยกของใช้กระวงกระดาษออกมาให้พร้อมเอาผ้าปิดไว้เออแก้วน้ำกระโถนเอาไว้ที่ไหนแปลว่า สรุปแล้วก็คือทุกไม่ใช่ทุกกระเบียดนิ้วน่ะทุกกระเบียดเซนเลยแล้วงั้นแต่ผิดพลาดไม่ได้ที่ทํากระองค์หลวงตานี่นแหละอันนี้แหะคือความเป็นมาของหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นและปฏิปทาและก็อีกเล่มหนึ่งเดียว่าเพื่อใจที่ได้ทุกนะที่ทุงตาเขียนในคราวนั้นแต่ว่าต่างกลาวต่างวาระนะแต่ประวัติหลวงปู่มั่นก็เพื่อใจที่ได้ทุกที่เขียนหักออกมา เป็นคู่คู่กันในเมื่อเขียนปฏิปทาพระตุรหรงกรรมฐานก็เพื่อใจที่เดือุกเน่ยเป็นเป็นเป็นของแถมที่หลวงตาเขียนเป็นธรรมเลขิตของหลวงตาเนี่ยนี่แหละคือนี่คือพูดเท้าความให้คณะศรัทธายาจโจมลูกหลานได้ฟังว่าเจ้าพระกุลสมเด็จกับองค์หลวงต า, ากับคณะศรัทธาญาจโจมของเจ้าพระกุลสมเด็จ ได้มาเกี่ยวข้องกับวัดป่าบ้านตาดอย่างไรเนีนะ่ท่านมาพักทีละอาทิตย์บางที่เกือบสองอาทิตย์จากนั้นก็ท่านก็กลับไปแต่สมัยนั้นท่านเป็นสาธารณโภคผลอยู่นะเจ้าคุนวินแล้วก็มีพระติดตามมาองสองสามองค์ที่นั่งรถตู้มากับมีจ้าโดมมาสามสี่คนห้าคนที่นั่งรถมาพร้อมกันจากนั้นก็ออ ท่านก็อยู่ที่วัดป่าบ้านตาดนะนะแล้วก็พระฟรังพระพอฝรั่งทั้งหมดที่ลงตารับมาสั่งแนะนําสั่งสอนก็คือเจ้าพระคุณสมเด็จเนี่ยองค์นี้แหละองค์ที่สิ้นพระชนะสมเด็จยาณสังวรเป็นผู้บวชให้พระฝรั่งบัดบวชให้ท่านปัญญาท่านเชอรี่ท่านดิกท่านเอียนท่านอะไรท่าน มีภาพฝรั่งมากสมัย น, นั้นแต่ถึงยังไงบางท่านบางคนเขาก็ลาศิกขาไปแต่ถึงจะลาศิกขาไปก็เถอะเขาก็ยังนับเนื่องนับถือว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรเพราะได้มาศึกษากับองค์หลวงตาหลวงตาแนะนำสั่งสอนอย่างเข่งครัดอย่างน้อยก็ต้องเป็นแนวความคิดสำหรับกลุ่มฝรั่งอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันจากนั้นท่านหลวงตาท่านก็ได้นั่น ไปที่ประเทศอังกฤษมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ชาวอังกฤษถามปัญหากับองค์หลวงตาอันนั้นก็น่าศึกษาอย่างมากนะปัญหาที่หกตาพิมพ์ชาวอังกฤษตลวงตาไปโปรดแม่ของท่านเชอรี่ที่ประเทศอังกฤษแม่ตจำท่านเชอรี่อยู่ที่แค น, นาดานะเขาก็มาอยู่ที่อังกฤษเขาไหมเขาไม่มาเมืองไทยเขากลัวงูว่า ง, ง, นะงั้นนะฝรั่ง ท่นกลัวสัตว์กลัวงูงและกลัวความร้อนอีกอถ้ากรณีมาอยู่ที่อังกฤษหวงตากับเมตตานะไปกับท่านปัญญาท่านเชอร์รี่นะไปที่ประเทศอังกฤษเพื่อจะไปโปรดโยมบรรดาของท่านเชอร์รนะี่จากนั้นท่านก็พักอยู่นานพอสมควรแล้วก็พี่น้องชาวอังกฤษก็ให้ความสําคัญอย่างมากเรื่องพระพุทธศาสนามาถามปัญหาถ้าพวกเราได้อ่านหนังสือเล่มนั้นคงจะรู้ ซึ้งถึงใจเหมือนกันนะชาวอังกฤษชาวยุโรปเขาสนใจพุทธศาสนามากน้อยแค่ไหนในหนังสือเล่มนั้นนี่แหละความเป็นมาขององค์หลวงตากับพระฝรัง่งในแ่พระฝรั่งทั้งหมดก็คือเจ้าพระคุณสมเด็จอย่างนัสังวรองค์นี่แหละเป็นองค์บวชให้พอบวชเสร็จแล้วท่านก็มองมาส่งมาหาสหธรร ม, มิกธรรมสหายคือองหลวงตา องลงตาก็เป็นผู้แนะนําสั่งสอนเพราะพระฝรังเขาชอบเขาจะเรียนทางทางปริปฏิบัตินะแต่เจ้าพกูลสมเด็จท่านก็สอนเหมือนกันนะสอนปฏิบัติวัดทุกวันพระหรือวันอาทิตย์ก็มีอยู่ทางกรุงเทพไปฟังธรรมะจากเจ้าพกูลสมเด็จอบรมกลางคืนพอต่อมาเมื่อท่านอายุมากแล้วท่านก็ให้องค์อื่น ทราบว่าให้เจ้าคุณมหาละแบบที่วัดว ว, ว, วนั้นเป็นผู้ อ, อบรมแนะนำต่อแต่ถึงยังไงก็ไม่เหมือนองค์ท่านนะเมื่อสมัยองค์ท่านอบรมรู้ชสิกหดพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมเนแนห น, นามากเข้าไปอบอุ่นมากเลยอันนี้ท่านในช่งวัฒนาท่านองค์ขบนตรีดรเฉาพูดให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็ไม่เคยเข้าไปหรอก ท่านบอกทัดท่านไม่ได้มาวัดป่าบัานตาศท่านก็ไปวัดบอวรไปฟังธรรมจับเจ้าคุมเจ้าคุณสมเด็จญาณท่านแสดงทำให้ฟังท่านเปรียบเทียบทั้งปริยัตคือการเปรียบเทียบกับทำคําสอนของพระพุทธเจ้าปริยัตจากนั้นก่อนท่านกับเปรียบเทียบกับปฏิบัติที่ท่านได้มาศึกษาตางในแนวในแนวแถวสายหลวงปู่มั่น ท่านก็มาประยุก์ให้มองเห็นว่าปริยัติก็ดีปฏิบัติก็ดีปริยัติคือคือหนทางเป็นแผนที่ปฏิบัติคือเดินตามแผนที่ท่านจะแนะนาก็เป็นที่เข้าใจเพราะท่านทั้งรู้ทั้งฝ่ายปริยัติทั้งฝ่ายปฏิบัติแต่องแต่องค์ของท่านเองท่านก็ปฏิบัตินะเจ้าพกุณสมเด็จไม่ใช่ธรรมดาท่านปฏิบัติจิตภาวนาของท่านเราถ้าเราศึกษาในนี้ ทำมารขีขิดของท่านแล้วเนะี่ยเจ้าพรกุลสมเด็จองค์นี้นะ่ยหนังสือมากออกมามากแต่แนวทางของท่านแนะนําสั่งสอน เ, ออเป็นตํำรับตาราได้ให้ครับว่าอ้างอิงทั้งปริยัตแล้วก็อ้างอิงทางปฏิบัติทั้งสองทางเพราะฉะนั้นอง์หลงเจ้าพระคุลสมเด็จก็องค์หลงตามหาบัวเ อ, อที่หลวงพ่อที่เจ้าพระคุณสมเด็จได้ สินพระชนไปหลวงพ่อเองก็ได้เป็นถ้าจำไม่ผิดเป็นครั้งที่สามนะที่นิมนต์ที่ไปแสดงธรรมในตำรำหนักเพชรในคราวนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแต่แต่ละครั้งก็รู้สึกว่าพี่น้องประชาชนอบอุ่นแน่นหนาแน่นหนาฝาข้างมากๆเลยเป็นพี่น้องประชาชนให้ความเคารพในเจ้าพระคุณสมเด็จ เออโดยสม่ำเสมอพูดอย่างนั้นได้แต่หลวงพ่อก็อยังวิตกอยู่ว่าจะไปงานพระราชทานเพลิงสริระขอพระ อ, องค์ท่านอยู่ที่วัดเทพศิลินวันที่สิบห้าสิบหกธันวาหลวงพ่อจะคิดโอ้โหคนจะไปยังไงจะไม่ไปกระจุกแน่นอยู่เลอเขาจะจัดยังไงทางส่วนส่วนราชการ ก็จะจัดให้คนเข้ายัางไงเดินทางยังไง เ, เพราะว่ามันที่ในกรุงเทพก็รู้อยู่แล้วถ้าไม่มีงานอะไรก็ยังแน่นอยู่แล้วอันนี้เป็นงานใหญ่อีกนะงานเจ้าปกคุณสมเด็จลูกศิษย์ลูกหาจากจารุรทิศที่รักเคารพในฟังธรรมเทศนาของท่านในฟังเกียรติประวัติของท่านอยากจะไปร่วมงานผสบของพระ อ, องค์ท่านเป็นครั้งสุดท้าย หลวงพ่อคิดว่าทางทา ง, ทางรัฐบาลพวกเกี่ยวข้องเขาคงจะให้ความอยังไงเขาคงจะจัดเป็นสโซนๆยังไงเขาคงจะมีวิถแผนการเขาอยู่มั่งนะอันนี้หลวงพ่อกับพูดให้กับพวกเราทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาว่าเจ้าพะกุลสมเด็จพระสังฆราชกับองค์หลวงตากับพระธรรมฐานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเกี่ยวเนื่องอย่างไร ท่านก็ได้มาพักที่วัดป่าบ้านตาดแล้วก็าปปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปหลายแห่งอีกต่างหากนะในหลวงพ่อเห็นแต่อยู่ที่วัดป่าบ้านตาดหลวงพ่อก็พูดแต่ที่วัดป่าบ้านตาดแต่เจ้าประคุณท่านก็ไปหลา ย, หลายแหง่งและเมื่องานพมานดาของท่านที่กาญจนบุรีเจ้าพระเจ้าระคุณสมเด็จวงหลวงตาก็ได้ไปนะ ไปงานศพโยมมารดาของเจ้าพกุลจอมเดจที่การชนะบุรีล้ลงตายยังเล่าเล่าให้ฟังหลายๆแนวทางได้หลายแนวนะเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือท่านไปมาหาสู่ด้วยความรักเคารพมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีเป็นสายใหญ่ต่อกันวัดปอวรกับวัดป่าบ้านตาดเพราะนั้นพวกเราในคนะลูกหลานเหรียนทั้งหลายก็ควรจะให้ความ จูบูชาในพระส ร, สรีระที่จะได้พระราชทานเพลิงในไม่เอ็กกี่วันข้างหน้าเพราะนั้นหลวงพ่อไปคราวนี้ลงไปคราวนี้ก็ไปเพื่อเป็นอามิชฌบูชาปฏิบัติบูบชากล่าวคํานอบน้อมในองค์ท่านเพื่อแสดงธรรมกบเพื่อเป็นการบูชาพระคุณของพระ อ, องค์ท่านถือเสมือนว่าท่านเป็น เป็นปู่เป็นทวดของพวกเราเจ้าพระคุณสมเด็จท่านมีจริยวัดที่สวยงามนิสัยของท่านนิ่งไม่ค่อยพูดจะพูดคาไหนเป็นคํานั้นเป็นพูดที่คำหนักแน่นที่คําพูดตราสออกมาแต่ละคําแต่ละคาแต่ละครั้งถ้าพวกเราได้อ่านหนังสือแล้วว่าทำมาเละิตของท่านแล้วก็จะรู้จะรู้ได้ว่าทำ มเทศนาของเจ้าพระคุณทุ่มเด็จนดชีวิตนิ่นน้อยนักนะอย่างนี้เราพวกอ่านไว้สิที่ท่านให้หัวข้อว่าชีวิตนิ่นน้อยนักแต่พวกเราลุ่มหลงมัวเมาว่าชีวิตนี้จะอยู่นานตายไม่เป็นมันไม่ใช่นะชีวิตนิ่นน้อยนักอันไหนควรจะเป็นประโยชน์อันไหนคือคุณงามความดีอันไหนคือศีลธรรมจริยธรรมควรจะดํา เนินชีวิตอย่างไรให้เกิดประโยชน์แล้วก็ตายแล้วไม่สูญอกีกตายแล้วเกิดอีกนะถ้าตายแล้วสูญไม่เป็นไรน้อยนักกให้มันตายแล้วก็สูญไปแต่นี่มันไม่สูญนะเจตายแล้วเกิดอีกจุดนั้นนะ่ะพวกเราควรจะศึกษานะจากนั้นก็นํามาประพฤติปฏิบัติปรปุงกายวาจาใจของเราจะได้นำสเสบียงเดินทางต่อไปภายในภพหน้าชาติหน้าเราจะอยู่ยังไง เกิดนาพบนาชาตหนาเราจะมีบุญกุศลเกือกุนหนุนอย่างไรนะถ้าเราไม่ได้สั่งสมบุญกุศลไว้มีิต่บาบากุศนะบาบากุศลจะนำเราไปสู่พิสุทิความทุกข์นะลูกหลานนะต่อใ น, นไปหลวงพ่อได้กล่าวแนวหรือว่าประวัติไกลๆแล้ ว, วความเป็นมาไกลๆของ วงกรรมฐานกับเจ้าพระคุณสมเด็จที่ท่านสินพระชนให้ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษ า, าตอนนี้ไปรับพรในตนนีนนะ